บทที่41หมอจีนผู้อารีเรีย น, นดนตรีไทยครบสองชั่วโมงแล้วหนุ่มเจริญก็เตรียมตัวกลับบ้านครูจำนงและภรรยาเดินออกมาส่งถึงปากทาง หนุ่มน้อยยกมือไหว้ลาคนทั้งสองอีกครั้งแล้วเดินจากมาความรู้สึกว่าผิววันไวร้ายกับว่าจะไม่มีโอกาสกลับมายังที่แห่งนี้อีกขณะเดินกลับบ้านภรยาครูจำนงเอ่ยขึ้นว่าพ่อหนุ่มคนนี้แกน่ารักดีนะคุณพี่อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะไปลามาไหว เป็นบุญของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีลูกหลานดีอย่างนี้เธอกราวชมไม่ขาดปาเป็นบุญของผมด้วยตั้งแต่มีลูกศิษย์มาก็เพิ่งมีคนนี้แหละที่เยี่ยมกว่าเพื่อนฝีมือเตีรนาดของแกหาตัวจับยากจริงๆคงจะได้นิสัยมาจากคุณปู่หลวงทาราท่านเก่งทางเตีรนาดในตำบลบางแวกเนี่ย ไม่มีใครสู้ท่านได้ครูจำนงบอกภรรยาแต่วันนี้แกดูแปลกแปลไปนะคะท่าทางขลึมขึมหน่อยๆยังไงพิกนภรรยาครูจำนงแอบสังเกตคงจะคิดถึงบ้านที่ต่างจังหวัดกระมัง่งเห็นว่าเป็นห่วงยายซึ่งอายุมากแล้วป่านนี้คุณยายก็คงคิดถึงหลานไม่แพ้กันนี่แหละนะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่า ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นทุกข์ครูจำนงทอดถอนใจพรุ่งนี้ดีฉันจะทำขนมอร่อยๆไว้ให้แกเอไม่รู้รู้สึกสังหรณ์ใจยังไงพี่กนเหมือนเหมือนกับว่าจะไม่ได้พบกันอีกแล้วไหลนะ่ะไปเข้าไปบ้านกันเถอะกองทัพยุงไล่หลังมาแล้วเขาชี้ไปที่ฝูงยุง ซึ่งกำลังบินว่อนอยู่เหนือศีรษะภรยาบนศีรษะคุณพี่มีดำเป็นก้อนเลยเรารีบเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างดีกว่าและสองสามีภรรยาก็พากันเข้าไปในบ้านเพื่อหนีกองทัพยุ่งหนุ่มเจริญมาถึงท่าเรือหน้าวัดตโนดไม่เห็นในแรมจอดเรืออยู่เช่นทุกวันก็ใจหาย ตะวันเพิ่งจะรับขอบฟ้าอีกไม่นานความมืดก็จะแผ่ตัวเข้าปกคลุมทั่วทุ่งน้ำหนุ่มน้อยรู้สึกหิวประกอบกับความเหนื่อยที่เดินทางเร่งรีบกว่าทุกวันด้วยนึกถึงหลวงตาวัตนโนที่มีเรื่องราวกับแกเมื่อตอนกลางทางป่านี้ตโจนเท่าอาจวางแผนจ้างคนมาดักทำร้ายเขาความกลัวทำให้เร่งฝีเท้าเร็วขึ้น เมื่อมาถึงท่าน้ำจึงทั้งเหนื่อยทั้งหิวนมน้อยนั่งรออยู่เกือบครึ่งชั่วโมงเรือก็ยังไม่มาความเหนื่อยล้าทาให้พลอยหลับไปบนศาลาท่าน้ำนั่นเองฟูงยุงใหญ่พากันบินมากัดกินเลือดเด็กหนุ่มรู้สึกกาคาญและคันไปทั่วร่างหากก็เหนื่อยเกินกว่าจะลุกขึ้นมาสู้รบตบมือกับพวกมัน แต่แล้วเสียงคุณหูก็ทำให้เขาสะดุ้งตื่นและหายง่วงเป็นปริดทิ้งนั่นไงมันนอนหลับอยู่นั่นจัดการเลยเอาให้มันตายแล้วก็โยนลงน้ำไปยังไม่ทันจะลุกขึ้นนั่งเขาก็ถูกรุมทั้งเตะทั้งต่อยจนหนุ่มน้อยตั้งตัวไม่ติดพวกมันคงมีกันประมาณสิบกว่าคนต่างรุมซัดเขาคนละหนุกคนละหนับ จนเขางงเป็นกายตาแตกอย่าทำผมเลยผมกลัวแล้วเขาหักหลบเป็นพละวันพรางยกมือไหว้ปลกปลกเฮ้ย <"He i, S 1> พอเธอสงสารมันว่าเสียงคนหนึ่งบอกอย่าไปสงสารมันไอ้นี่มันร้ายกาดมากขืนปล่อยไว้มันจะกลับมาเล่นงานพวกเองเป็นเสียงหลงตาวัตโนดซึ่งเขาจงได้ติดหู ความโกรธตาโจนเท่าในร่างพระทำให้เขาลืมตายลุกขึ้นชี้หน้าด่าคนที่ยืนบงการบรรดาลูกสมุนหยุดตะลมบอลชั่วคราวคุณมันชั่วบวชทาไมเสียผ้าเหลืองตายไปคุณต้องตกนรกผมจะแช่งให้คุณตกนรกถึงตอนนี้เขาอยากให้นรกมีจริงตาโจนเท่าจะได้ไปเกิดที่นั่น ยังปากดีวันนี้มึงตายแน่อ้าวพวกเอ็งรุมมันให้ตายอย่าไว้ชีวิตมันสิ้นเสียงสั่งของหลวงตาสิทวัดรสิบว่าคนก็กรูกันเข้ามาทำร้ายเขาอีกหนุ่มน้อยเห็นว่าต้องตายแน่จึงสู้อย่างไม่คิดชีวิตเขาทั้งเตะทั้งถีบเวียงซ้ายเวียงขวาจนเจ้าพวกนั้นเจ็บไปทำตามกันต่างคนต่างกรธแค้น ถึงกับจะฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งแต่แล้วน้ำน้อยย่อำแพ้ไฟหนุ่มน้อยถูกพวกมันรุมซ้อมจนระบมไปทั้งร่างกำลังคิดจะวิ่งหนีไปที่แพแล้วกระโจนน้ำหนีตาก็เหลือไปเห็นโจนเท่าชักมิดพกออกจากฝักส่งให้ลูกสมุนพรางกำชับเอาเลยแทงมันให้ตายแล้วโยนลงน้ำไปความกลัวตายทําให้หนุ่มน้อยวิ่งอย่างไม่คิดชีวิต ลูกสมุนโจรเท่าไล่กวดตามเจ้าคนหนึ่งถือมีดวิ่งนำหน้าจนจะถึงตัวเขาคนที่ถูกวิ่งกวดหนีหัวสุกหัวซุนขณะจิตประวัติไปถึงยายเขาคงไม่มีโอกาสได้กลับไปหายายอีก ยายจ๋าช่วยผมด้วยเขาร้องเสียงหลงเมื่อเจ้าหมอนั่นเงื้อมีดสุดแขนกำลังจะกระโจนลงน้ำก็รู้สึกเหมือนมีมือมาฉุดลงไปจากนั้นก็ไม่รู้อะไรอีกด้วยสัมปชัญญะดับวูบลงในมั่นกลับจากนมามะพร้าวไปแลกข้าวตามบ้านภายเรือผ่านมาเห็นคนถูกกรุมทำร้ายจึงเข้าไปช่วยไว้ทัน เขาจุดเด็กหน่มลงเรือแล้วใช้ไม้ภายฟาดเจ้าคนที่กำลังจ้วงแทงคนไม่มีทางสู้เห็นภิกษุชารายืนบงการอยู่จึงชี้หน้าด่าแล้วก็บอกว่ากูจะไปฟ้องพระสังฆราชให้จับมึงสึกตาโจรเท่าในร่างพระรู้สึกกลัวผิดที่มีคนมาเห็นเหตุการณ์จึงเดินก้มหน้างุดๆเข้าวัดไปโดยไม่เถียงสักคำ พวกลูกสมุนเห็นหัวหน้าถอยก็พากันล่าทับ พ, พระต่างก็เจ็บตัวไปตามๆกันเจ้าหนุ่มผอมแห้งคนนั้นไม่ได้แรงน้อยอย่างที่คิดตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นคนผอมแห้งแรงมากนิทัพพวกเขามีน้อยกว่านี้คงต้องแพ้มันนายมันรีบพายเรือพาหนุ่มน้อยที่นอนสิ้นสติอยู่ในเรือกลับบ้านของตนซึ่ง อยู่ลึกเข้าไปในสวนทางคลองบ้านอ้อยอยากรู้ว่าเขายังมีชีวิตหรือหมดลมแล้วจึงเอื้อมมือไปจับชีพจรใจชื้นขึ้นเมื่อรู้ว่าเขายังไม่ตายเพราะชีพจรยังเต้นตุบๆเกือบชั่วโมงจึงถึงบ้านเขานําเรือเข้ามาจอดไว้ในลำประโดงและก็รีบวิ่งเข้าไปในสวนไปเรียกลูกๆมาช่วยกันหามคนเจ็บเข้าบ้าน แสงไฟจัดตะเกียงรัว้วทำให้เขาเห็นหน้าซีเสียวของคนเจ็บมีอรอยฟกช้ำดำเขียวตามเนื้อตามตัวและใบหน้าที่จมูกและปากมีเลือดติดอยู่เขามองร่างนั้นอย่างสุดสงสารแล้วจึงสั่งลูกสาวคนโตว่าอายหญไปเอาลูกประครบมาประครบตามเนื้อตามตัวให้อติอีหน่อยอาุูนี ไปเอายาต้มมาถ้วยหนึ่งเตียจะให้อีกกิงยาใครนักเตียทำไมอีถึงนอนนิ่งอย่างนั้นอีตายหรื อ, อยังเด็กหญิงสุนีวัยแปดขวบถามลูกๆทั้งก้าคนพากันมังนั่งล้อมวงดูคนเจ็บเตียก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอีเป็นใครพายเรือผ่านมาเห็นอีถูกรุมซ้อมก็เลยช่วย แล้วก็พามาที่นี่ในหมันบอกลูกสาวใครที่ไหนมารุมซ้อมอีลาเตียก็ไอพวกเด็กวัตโนดนั่นไงมีพระแก่ๆยืนบงการอยู่เตียก็เลยชี้หน้าด่าไปไอคนเฮงซวยพันนั้นมาเป็นพระได้ยังไงก็ไม่รู้ทำให้เสียราศีพระาศาสนา นุ่มใหญ่ไว้ห้าสิบสองบนอกแล้วมันจำหน้าเหียได้หรือเปล่าระวังมันจะมาดักกรุมทำร้ายเยียเข้อสักวันแม่ผันพูดอย่างเป็นห่วงสามีมันคงไม่กล้าทำอย่างนั้นหรอกบ้านเมืองมีคือมีแปรแต่ฉันว่าเฮียน่าจะไปแจ้งกำนันไว้ก่อนนะเผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้รู้เบาแสแม่ผันพูดอย่างรอบครอบ ดีเหมือนกันไว้ให้อติหายเสียก่อนเยีายจะพาอีไปบ้านกำนันน่าสงสารอีจังลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่รู้หน้าตาผิวพรรณอีคงเป็นลูกผู้ดีนะเกิดอีเป็นลูกเศรษฐีพวกเราก็สบายนะสิจริงไม่เตียเด็กหญิงสุนีพูดขึ้นสบายยังไงเจ๊ใหญ่ถามน้องสาว อ้าวก็พ่อแม่อีจะได้เอาเงินมาให้เราเราก็จะได้หายจนยังไงเด็กหญิงอธิบายอ่อนี่หรือจะรวยโดวยวิธีแบบนี้หรือแต่เตี๋ยไม่เห็นด้วยหรอกนะเราช่วยใครก็อย่าไปหวังผลตอบแทนช่วยแล้วก็แล้วไปเราทําความดีอย่าหวังผลตอบแทนแต่จงทําความดีเพื่อความดี บุรุษวัยห2สอนลูกแต่ความดีทําให้เราจนนาเตียสุมณเห็นเตียทําแต่ความดีแล้วก็สอนพวกเราให้ทําด้วยแต่เราไม่เห็นร่ำรวยขึ้นมาสักทีคนที่เขาทําความชั่วกลับรวยอา้ารวยเอาเด็กหญิงสุมณวัยเก้าขวบพูดตามภาษาเด็กแก่แดดจริงอย่างอาสุมลอีพูดนาเตีย ยิ่งเราทำความดีเราก็ยิ่งจนหรือเจ๊ใหญ่ว่างไงนางสาวสายชนคนรองจากเจ๊ใหญ่ออกความเห็นพวกลื้อ่ากันเป็นบ้าไปหมดแล้วหรือทำไมต้องคิดว่าความดีกับความร่ำรวยเป็นอย่างเดียวกันมันคนละเรื่องอใหญ่ลือรีบเอาลูกประครบมาประครบให้อติอีอ ว, วเร็วเข้า ในมันบอกลูกสาวนางสาวใหญ่วัยยี่สิบสามที่น้องๆเรียกว่าเจ๊ใหญ่จึงนำลูกประครบซึ่งเป็นผ้าสี่เหลี่ยมห่อสมุนไพรขนาดเท่ากําปั้นมาประครบตามรอยฟกช้ำตามหน้าตามตาตามเนื้อตัวให้หนุ่มน้อยที่นอนไม่ได้สติแวดล้อมด้วยลูกๆในมัน เมื่อได้สัมผัสกับลูกประครบอุ่นจัดจนเกือบร้อนคนที่นอนสลบสลายก็รู้สึกตัวละเมอออกมาว่ายายจ๋าช่วยผมด้วยผมยังไม่อยากตายยายจ๋ายายอยู่ที่ไหนเด็กหญิงสุนีจึงเขย่าร่างนั้นพลางปลุกให้ตื่น เด็กหญิงสุนีจึงเขย่าร่างนั้นพลางปลุกให้ตื่นฟื้นแล้วเฮียเฮียลืมตาได้แล้วเฮียปลอดภัยแล้วหนุ่มน้อยลืมตาขึ้นช้าๆแล้วก็ให้แปลกใจที่พบเด็กชายหญิงนั่งมองเข้าหน้าสล l นครลั้นกวาดสายตาไปรอบๆก็พบกับใบหน้าเต็มไปด้วยความปราณีของหญิงชายวัยกลางคน ซึ่งเขาเดา ว, ว่าคงจะเป็นมารดาบิดาของพวกเด็กๆที่ห้อมล้อมเขาอยู่นี่ผมอยู่ที่ไหนครับเขาขยับจะลุกขึ้นหากก็ลุกไม่ไหวด้วยรู้สึกขัดยอกไปทั้งตัวไม่ต้องลุกอติหรือไม่สบายอย่าเพิ่งขยับเขยื่อนนอนเฉยๆไว้ก่อนจำได้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลื้ นมน้อยหลับตานึกลำดับเหตุการณ์ว่าได้เกิดอะไรขึ้นกับเขานึกมาถึงตอนที่ถูกจ้วงแทงเขาก็ร้องลั่นเอามือปิดหน้ายายจ๋าช่วยผมด้วยเด็กหญิงสุโ ม, มนจึงตีแขนเขาเบาๆส่วนเด็กชายเล็กๆสามคนนั่งทำหน้าเหลือเฮียเป็นอะไรไปอีกละ่ะเด็กหญิงสุนีถาม หนุ่มเจริญใช้มือคลำตามหน้าเนื้อตัวและพูดขึ้นว่านี่ผมยังไม่ตายห ร, อหรือและผมอยู่ที่ไหนกันหรืออยู่ที่ปลอดภัยและอตินอนให้สบายเธอรับรองไม่มีใครมาทำอะไรหรือชายวัยกลางคนบอกเขาผมมาที่นี่ได้ยังไงครับหรือว่าคุณลุงพาผมมาถามงงๆถูกแล้ว ลุงเห็นลื้อถูกกลุ้มก็เลยไปช่วยไว้ทันไอหมอนั่นกําลังจะแทงลื้อลุงเลยฉุดข้อมือลื้อลงเรือมานี่ถ้าลุงมาไม่ทันลื้อคงแย่แน่เลยหนุ่มน้อยประนมมือไหว้บุรุษนั้นอย่างสำนึกในบุญคุณรู้สึกดีใจที่เขายังไม่ตายความหวังที่จะกลับไปหายายยังไม่พังทลายลงเพราะบุรุษใจเมตตาผู้นี้ ผมขอบพระคุณคุณลุงเป็นอย่างสูงที่ช่วยชีวิตผมไว้วันหนึ่งผมคงได้ตอบแทนพระคุณเขารู้สึกปลาบปลื้มจนน้าตาซึมไม่เป็นไรหรอกอติคนเราก็ต้องช่วยเหลือกันเอาละกินยาซะก่อนเดี๋ยวจะได้กินข้าวต้มร้อนๆ อ, อาสุนีส่งถ้วยยามาให้เตี๋ยทีสิได้กยิ้งสุนีส่งถ้วยยาให้ แม่ผันช่วยประคองศรีรษะเขาขึ้นขณะที่สามีป้อนยาขมจังเลยคุณลุงยาอะไรครับเนี่ยยาจีนลุงเป็นหมอจีนรับรองว่าไม่มีอันตรายได้ยินว่าบุรุษนี้เป็นหมอจีนหนุ่มน้อยจึงกลั้นใจดื่มยานั้นจนหมดถ้วยจากนั้นเจ้ใหญ่ก็นำข้าวต้ม อ, อุ่นๆมาป้อนความหิว ทำให้คนเจ็บ ก, กินข้าวต้มไปสองถ้วยใหญ่ๆเอาละเดี๋ยวไอ้ใหญ่ช่วยเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้อติด้วยเสร็จแล้วจะได้นอนพักผ่อนหรือเห็นจะต้องพักอยู่ที่นี่สักสามสี่วันหายดีแล้วลุงจะพาไปส่งบ้านอยู่ที่ไหนละ่ะเขาถามอยู่บางแวกครับคุณลุงรู้จักบ้านสามกระไดหรือเปล่าครับ ทำไมจะไม่รู้บ้านคุณหลวงทารายังไงละ่ะหรือเป็นอะไรกับท่านคนถามถามตรงไปตรงมาเป็นหลานชายท่านครับงั้นลืกก็เป็นลูกชายคุณเปี่ยมไม่ใช่ครับคุณเปี่ยมเป็นบุตรเขยท่านแต่คุณพ่อผมเป็นบุตรชายของหลวงทาราผมเป็นหลานปู่ส่วนหลานตาชื่อคุณประพจน์ หลานชายหลวงทาราอธิบายถ้าเช่นนั้นหรือก็เป็นลูกชายคุณพองใช่ไหมคุณลุงรู้จักพ่อผมด้วยพูดอย่างยินดีอเฮียเป็นลูกเศรษฐีจริงๆด้วยล่ะเตียคราวนี้เรารวยแล้วเด็กยิงสุนีพูดอย่างยินดีครั้นบิดาทาตาเขียวใสเลยหน้าเผื่อดลง ไปเตรียมตัวกินข้าวได้แล้วเตี่ยจะได้เข้านอนพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้าหัวหน้าครอบครัวออกคำสั่งพวกเด็กๆจึงพร้อมใจกันลุกออกไปช่วยยกสำรับกับข้าวยกเว้นเด็กชายเล็กๆสามคนซึ่งยังนั่งอยู่หนุ่มเจริญนอนดูเขากินข้าวกันออกแปลกใจที่อาหารมื้อเย็นเป็นข้าวต้มกับผักดองที่บ้านสามกระได จะกินข้าวต้มเฉพาะมื้อเช้าส่วนที่บ้านนอกเขากินข้าวสวยทั้งสามมือ้อคนบ้านนอกไม่นิยมกินข้าวต้มยกเว้นคนป่วยอิ่มข้าวแล้วจะใหญ่จัดการกลางมุ้งให้หนุ่มน้อย โดยเอามุ้งของหล่อนมากลางคืนนี้หล่อนคงต้องไปอาศัยนอนกับน้องๆจะใหญ่ครับทำไมที่บ้านนี้กินข้าวต้มมื้อเย็นแล้วมื้อเช้ากับมื้อกลางวันกินข้าวต้มหรือข้าวสวยครับเขาอยากรู้มื้อเช้ากับมื้อเย็นจะเป็นข้าวต้มส่วนมื้อกลางวันเป็นข้าวสวยที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะพวกเราชอบกินข้าวต้มหรอกนะ แต่เพราะเรายากจนถ้ากินข้าวสวยทั้งสามมือ้อเราก็จะไม่พอกินเตียไม่ลูกมากแล้วเราก็ไม่ได้ทำนาเราเอามะาพร้าวในสวนไปแลกข้าวตามบ้านแต่ถึงเราจะจนเราก็ใจกว้างนะเตียะจะให้หุงข้าวต้มหม้อใหญ่ๆไว้แขกไปใครมาก็ได้กินเราไม่เคยหวง เตีบอกว่าถึงเราจะจนเราก็ต้องเป็นคนดีเจ้ใหญ่เคยถามเตียว่าถ้าให้เตียเป็นคนรวยแต่ชั่วจะเอาไหมเตียวบอกไม่เอาอาตีละ่ะหรือจะเลือกอย่างไหนเป็นคนดีแต่จนกับเป็นคนชั่วแต่รวยเจ้ใหญ่ถามผมขอเลือกเป็นคนดีแต่จนดีกว่าเพราะคุณยายผมท่านก็เป็นคนดี แต่ท่านรวยนะครับดีด้วยรวยด้วยแสดงว่าคุณยายของอติโชคดีพวกเราหวังว่าวันหนึง่งอาจจะโชคดีอย่างคุณยายบ้างเจ๊ใหญ่พูดอย่างไม่มั่นใจนะักแต่ผมมั่นใจว่าต่อไปครอบครัวเจ๊ใหญ่ต้องรวยแน่ๆเพราะใจกว้างไม่เชื่อคอยดูเจ๊ก็อยากให้เป็นอย่างนั้น จะได้กินอิ่มนอนหลับเหมือนคนอื่นเขาพวกเราค่อนข้างอดอยากนะจะใหญ่พูดตรงๆก็คุณลุงบอกผมว่ามีอาชีพเป็นหมอจีนแล้วทำไมจึงยากจนล่ะครับผมเห็นหมอเขารวยกันทั้งนั้นหนุ่มน้อยกังขาเพราะเตียเป็นคนดีนะสิเวลามีคนไข้ามาให้รักษาเตียก็คิดถูกมาก ยิ่งรู้ว่าเขายากจนเตี่ยก็จะไม่คิดค่ารักษาเลยแล้วคนไข้ที่มาหาเราก็มีแต่จนๆเพราะคนรวยเขาก็ไม่มารักษากับเราแต่จะไปรักษาที่หมอฝรั่งซึ่งเขาว่าได้ผลเร็วกว่าเจ๊ใหญ่อัตถาที่บายแล้วเจะ๊ใหญ่เรียนหนังสือหรือเปล่าครับเรียนสิพวกเราเรียนจบป .4 เจ๊หมายถึงตัวเจ๊ แล้วก็น้องที่ถัดไปอีกสองคนคือสายชนกับโสภาส่วนสุมวลสุนีสงใจกำลังเรียนอยู่ที่วัดนกสามคนสุดท้ายเป็นชายแล้วก็ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนคุณลุงไม่ส่งลูกเรียนต่อหรอครับผมหมายถึงเรียนระดับมัธยมหนุ่มน้อยถามในสิ่งที่ไม่น่าจะถามจะเอาเงินที่ไหนมาส่งละ่ะ แค่กินเข้าไปแต่ละวันยังไม่ค่อยจะพออีกอย่างนึ่งเตี่ยบอกว่าลูกผู้หญิงเรียนไปก็เท่านั้นอีกหน่อยมีย่าวมีเรือนก็ต้องไปเป็นแม่บ้านแต่สำหรับลูกชายสามคนเตี่ยวหวังว่าจะได้เรียนสูงกว่าพี่ๆถึงตอนนั้นเราก็คงเงยหน้าอ้าปากได้บ้างเจ้หมายถึงว่าถ้าพวกน้องผู้ชายโตเข้าโรงเรียน บ้านเราคงมีฐานะดีกว่านี้และเตี่ยก็จะมีเงินส่งลูกชายเรียนสูงสูงผมก็หวังอย่างนั้นไม่รู้อะไรทําให้ผมมั่นใจว่าต่อไปคุณลุงต้องรวยเป็นเศรษฐีนี่ผมไม่ได้พูดเอาใจนะครับผมมั่นใจอย่างนั้นจริงๆเอาเธอเอาเธอถึงพูดเอาใจก็จะเป็นไรไปในเมื่อสิ่งที่อติพูดเป็นสิ่งดี และเป็นมงคลแต่เจ๊ว่าอาตินอนพักได้แล้วจะได้หายเร็วๆ เ, เรียนหนังสือชั้นไหนแล้วล่ะมัธยมสี่ครับผมจบมัธยมสามมาจากบ้านนอกอ้าวอยู่บ้านนอกรักฤึจังหวัดอะไรล่ะสิงห์บุรีครับเจ๊จะไปเที่ยวก็ได้ผมอยู่กับคุณยายบ้านช่องใหญ่โตโอ ถ, ถงพูดไปแล้วก็ให้นึกเสียใจ เพราะดูเหมือนว่าเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกระท่อมน้อยกลางสวนหลังนี้เคยอยู่บ้านใหญ่โตและต้องมาอยู่กระท่อมเล็กๆอย่างนี้ก็อึดอัดหน่อยนะเจ้ใหญ่พูดเรื่อยๆไม่ได้นึกว่าความจนจะเป็นปมด้อยแต่ประการใดไม่อึดอัดหรอกครับโบราณสอนว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากผมรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก ผมรักที่นี่และรักทุกคนนมน้อยพูดจากใจจริงก่อนที่จะพลอยหลับไปได้วยความเหนื่อยและเจ็บระบมไปทั่วร่าง